เราได้มีโอกาสได้มาฝึกจิตได้มาปฏิบัติขอให้ท่านอย่าได้ใช้เวลาอันมีค่าให้ความง่วงเงาเหานอนมาครอบงำเราพยายามหาเหตุหาผล ดูตัวตนของตัวเองให้ผ่องใสเข้าไว้ก็คือใจนั่นเองก็สำคัญที่สุดของการปฏิบัติก็คือสติสติก็คือการรู้ตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวก็คือมีสติอยู่กับตัวตนนั่นเอง ทุกคนนั้นกำลังฝึกตัวเองกำลังหาทางให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นอยากได้สมาธิอยากได้ความบริสุทธิ์ก็คือบุญนั่นเองบุญเราต้องแสวงหาเราจะต้องตัดปัญหาออกไป ก็คือความวุ่นวายใจหรือความว้าวุ่นใจนั่นเองนักปฏิบัติทั้งหลายท่านทั้งหลายลองมองตัวเองในขณะนี้เนี่ยว่าตัวเองนั้นเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่เพราะท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติก็คือรู้ตัวเอง ตัวเองก็รู้ตัวเองว่ากำลังนั่งสมาธิอยู่สมาธิก็คือความตั้งใจมัน่นเราตั้งใจที่มานั่งบำเพ็ญเพียรฝึกสตินั่นเองสติก็คือความรู้ตัวในการหายใจเข้าหายใจเข้าก็ภาวนา ว, ว่าพูดหายใจออกก็ภาวนา ว, ว่าโท มันก็มีลมออกอารมณ์เข้าตัวนั้นเองเมื่อเราหายใจเข้าเราก็หายใจแล้วก็ภาวนาว่าผู้ส่วนผู้อื่นผู้ใดได้เคยภาวนาอยู่ในองค์ภาวนาที่ถูกฝึกมาแล้วก็ไม่จำกัดให้ภาวนาในสิ่งที่ตัวเองนั้นเคยฝึกมาในขณะขั้นแรก เราก็มีความรู้ตัวก็คือมองตัวเองก่อนสมมุติเราได้สมมุติอะไรมากมายในชีวิตสมมุติว่าโกรธสมมุติว่ารักสมมุติว่าพึงปรารถนาแล้วก็ไม่พึงปรารถนาเรียกว่ามีความสมมุติขึ้นมาในใจทางนั้นในความรู้สึกทางนั้น แต่อยากให้ท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติเนี่ยนึกถึงตัวเองก่อนในขณะนี้เพราะเราได้แต่มองได้แต่ได้ยินเสียงคนอื่นมองไม่มองเปล่าแถมเชื่อตาตัวเองเสียอีกต่างหากได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยเข้าไปในใจ แต่พอได้ยินเสียงคนอื่นนะแม้มันเข้าใจเห็นแม่เข้าใจแต่ไม่เคยเข้าใจตัวเองเมื่อเราไม่รู้ใจตัวเองแล้วก็ไม่เคยปรับใจตัวเองแล้วก็ดูใจตัวเองและไม่เคยฝึกมองเห็นตัวเองอยู่เนี่ยก็คงใหม่ๆก็คงต้องตั้งสติคือความรู้ตัวก่อน ตั้งสติให้มันแล้วก็มองใจตัวเองแล้วก็ยิ้มเขาวะพยายามยิ้มให้กับตัวเองบ้างไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นเขามายิ้มให้เราบางคนเห็นคนอื่นทำหน้าบึ้งตึงเข้าไปเราก็รู้สึกก็ไม่พึงพอใจทำไมคนนี้หน้าบึ้งหน้าตึงจริง ทำหน้าเคืองค้างใส่เราเราก็ปรุงแต่งอีกนึนกว่าเขาไม่พึงพอใจเราเราเลยรู้สึกว่าคิดฟุ้งซ่านจิตก็เลยเนี่ยอยู่ในสภาพของความสมมุติปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ยินเสียงบ้างตามมองเห็นบ้างก็ปรุงแต่งไป วันนี้เราจะมารักษาใจเราเปียกเสมือนโรงพยาบาลวัดเขาอิติสุขโตเป็นโรงพยาบาลที่รักษาจิตแพทย์เป็นโรคจิตในขณะนี้เนี่ยเราเข้าโรงพยาบาลเพราะเราป่วยอยู่แต่โชคดีเรามีสติมี ความรู้ตัวว่าเราป่วยเพราะคุณเจ้าก็ป่วยเช่นเดียวกันโรคเนร์นก็ป่วยแม่ชีแม่พามทั้งหลายที่มาปฏิบัติเนี่ยป่วยแต่โชคดีโชคดียังไงโชคดีว่ามาพบหมอดีโรงพยาบาลเขารักษาโรคจิตเป็นผู้ป่วยโรคจิต วันนี้ทางโรงพยาบาลจะให้ยารักษาใจเรียกว่ายาใจอารุณ์แรกเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะรักษาใจพวกเราก่อนให้ยาก่อนทุกคนป่วยพระที่นั่งอยู่นี่ก็ป่วยแต่โชคดีรู้ตัวสะก่อนแม่จีแม่พามนี่รู้ตัวสะก่อน ก็เลยชิงมารักษาป่วยยังไงใจของเราเนี่ยถ้าไม่ป่วยเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวสะก่อนเนี่ยจะมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลวัดเขาอิิสุโกโตรหรือคนที่ป่วยเนี่ยก็คือ โยมผู้ชายแล้วก็โยมผู้หญิงพระเนี่ยก็เพิ่งฟื้นไข้เพราะเพิ่งมาบวชลูกเมียก็ไม่มีเรียกว่าฟื้นไข้หลุดพ้นจากโรคแต่ยังเป็นโรคจิตอยู่จิตยังไม่ปกติพระคุณเจ้าพราะคุณเจ้านี่ต้องมารักษาสภาพของจิตที่แหลกเหลวก็คือเป็นหลายโรค ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ไม่ได้พอได้สติก็มาบำบัดหลุดพ้นจากโลกต้องใช้ยาแต่ให้บำบัดก็เรียกว่ากายบำบัดฟ้าที่เคยอยู่กับพ่อกับแม่ไม่เคยช่วยพ่อช่วยแม่ทำมาหาเก็บหากินนี่ก็เป็นอีกโลกหนึ่ง พรที่เขาเขาบริโภคกินข้าวกินน้ำกินอาหารที่เป็นประโยชน์ก็ดันไปกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดเรียกว่าเป็นอีกโรคหนึ่งโดยเฉพาะยกตัวอย่างคุณหมอยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้เลิกแหละรู้ตัวแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิต ฟ้านีก็เป็นโรคร้ายเรื้อรังเนะี่ยหายละเคยเป็นโรคที่มียาใจก็คือมีภรรยานั่นเองมีรูปเรียกว่าแก้วตาดวงใจฟ้า่นี้ก็เป็นโรคที่เบาลงนะเบาลงไม่มียาใจหรือว่ามียาใจอยู่บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าใครยังมียาใจอยู่ต้องให้ยาหนักนะยาเบ า, เบาๆยาอ่อนๆคงเอาไม่อยู่คงจะต้องให้ยาหนักถ้าเกิดหมอเนี่ยเขาพิจารณาวินิจฉัยโรคแล้วเนี่ยว่าพระคุณเจ้าเนี่ยเป็นโรคจิตต้องบำบัดทางจิต ก็เ ร, เรียกว่าสมาธิก็คือตั้งใจก่อนส่วนบรรดาญาติโยมนั้นเป็นโรคที่ละแก้ลำบากมากต้องค่อยๆให้ยาอ่อนไปก่อนเป็นโรคยาใจเป็นโรคใจคุณโยมผู้ชายก็เป็นโรคใจผู้หญิงก็เป็นโรคใจต้องให้ยาอ่อนๆไปก่อน ใช้ยาแรงไม่ได้เดี๋ยวเพอ้อนะบรรดาญาติโยมผู้ชายเนี่ยก็เป็นโรคผู้หญิงกินใจนะเป็นโรคภรรยานั่นแหละก็เรียกว่ายาใจละเมอเพอ้อพบพูดคุยไม่รู้เรื่องคุณโยมผู้ชายที่เข้ามาปฏิบัติ เบอร์กมอกินเลยมากว่าจะมาถึงวัดได้พูดไม่รู้เรื่องคุณโยมที่เป็นผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเป็นโรคใจเป็นโรคยาใจต้องให้ยาทางใจเหมือนกันเพอเปอื้ปอนมอมแมมไปหมดกระเสะกระเซิงเหมือนคนบ้าบางคนก็ทำทรงผมมั่วอีตัวไปหมด ผมดำๆก็ไปทำให้แดงมั่งส้มมั่งม่วงมั่งผมเรียบง่ายก็ไปดัดหงิกๆงอๆงอขนตาก็มาต่อให้มันงอน ง, ง้องปากคอมอมแมมหมดท่าหูตาดำกเ็กเซาะก็เซองเหมือนผีบ้ามาพยายามใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นเป็นคนบ้าขาด ผ้าขาดนี่ลุ่งลิ่งมาเลยคุณโยมบางบางคนเบอร์มาเลยนะคุยไม่รู้เรื่องจะให้ยาแรงสักทีเดียวจะให้หลับกินยานอนหลับทีเดียวก็ไม่ได้ต้องค่อยๆรักษาตามอาการไปโรงพยาบาลวัดเขาอิติสุโกโตต้องวินิจฉัยโรค ว่าคุณโยมผู้ชายเนี่ยเป็นโลกรักผู้หญิงเขาแล้วโยมผู้หญิงก็เป็นโลกรักผู้ชายคนที่เป็นโลคนี้เนี่ยมักจะนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเรียกว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวร่องรอยไป ยมผู้ชายนี่ก็ยังเดินไปเดินมาเพื่อให้ไปสร้างมโนภาพนะจิตฟุ้งซ่านแหละนึกถึงแต่ยาใจน้องน้องอยานี่แหละแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเยอยู่ในพวังในความบ้าเป็นโรคจิตใจเนี่ยเป็นโรคจิตเรียกเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยไม่รู้ตัว แคมองเห็นเท่านั้นเองรนี้โรคนี้มันเป็นโรคที่รักษายากมากมันงอกงามมันแตกกระจายเหมือนไวรัสที่รักษาไม่ได้ไม่มียารักษาพอโรคนี้แทรกแซงเข้าไปในผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเข้าไปในใจเรียกว่าเป็นคนรู้ใจจริงๆแล้วก็ เป็นโลกจิตทั้งคู่พระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายเนี่ยก็คือหลังของโลกมีดีตรงไหนบ้างร่างกายของผู้หญิงผู้ชายในโลกนี้หัวก็มีขี้หัวปากก็มีขี้ปากสเสร้นาลายตาก็มีขี้ตา หูก็มีขี้หูจมูกก็มีน้ำมูกปากก็มีน้ำลายตาลงมาที่ตัวนะโอ้โหทั้งขี้ไขขี้เหงื่อทั้งในก็อาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงม้ามปอดมีแต่รัาเลือดน้ำเหลืองที่หอ่อที่อยู่ในร่างกายเรา ชามาดิจะต้องแปลงฟันร้างปากยังไม่หายเหม็นเลยแถมฟันผุเขาอีกบางคนเป็นน้ำหนวกน้ำหนองไหลที่หูมปอีกบางคนถึงก็เป็นฝีที่ตาตามันเป็นโรคหนักมากลงไปถึงทวารหนักทวารเบาลองนึกดูสะว่าไอ้ทวารเนาเบามันก็ทำงานอย่างสุดเวียง พรไอ้ปากมันกินสัตว์เดลชานกินสิ่งสกรปรกโสโคเข้าไปเวลาถ่ายมาไอ้ทวารหนักก็ต้องทนทุกข์ทั้งเผ็ดทั้งร้อนทั้งแสบของหยาบของสกรปรกที่ร่างกายไม่ต้องการก็เข็นออกมาที่ไอ้ทวารหนักไอ้น้ําดื่มที่สะอาดสะอาดน้ําส้มน้ําผ ล, ลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ สว่าปามเข้าไปโดดไปกินไปไม่ว่าจะเป็นน้ำนมโคน้ำนมควายอะไรก็กินเข้าไปดื่มเข้าไปแต่เวลาปัสสาวะออกมาเนี่ยโอ้โหเหม็นมากเลยสกรปรกโสโครกเก็บเอามาดื่มอีกก็ลำบากจะไปล้นผักลดต้นไม้ก็ตายเพราะมันเค็มมันเหม็นมาก คุณโยมลองนึกตามหลวงพ่อไปว่าร่างกายก็คือรังของโลกไอผู้ชายนี่มันก็เป็นโลกจิตนะโลกจิตผู้หญิงก็เป็นโลกจิตดังคนดังมีจิตที่สแสวงหาก็คือกิเลสนั่นเองเมื่อสแสวงหาก็ตามสภาพของกรรมกรรมก็คือการเกิด มันเกิดตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดเราแล้ ว, ลวไอ้โรคเนี้ยมันรักษายากมากคุณโยมพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันให้ฟังไว้เรากำลังบำบัดทางจิตนะต้องตั้งสติสติคือต้องมีความรู้ตัวก่อนมาถึงโรงพยาบาลชั้นหนึ่งแล้วมียาทันยุคทันสมัยกินแล้ว เฟิร์มเลยฮะดูหุ่นเฟิร์มเลยพระคุณเจ้าเพราะเดินบินทบาทเนะีย่ยยาอันดับแรกยาอ่อนก่อนเมื่อบินทบาทแล้วก็กลับมาก็ต้องมาพิจารณาปฏิสังขายโอนโซบินทบาทต่างปฏิเสวามิพระคุณเจ้าจะสวาปามยาเข้าไปเนี่ยกินเกินขนาดก็อ้วนนะ ไม่บินธบาตนี่ก็เป็นโรคอ้วนไขมันอุดตันอาจตายได้พระคุณเจ้าเราพระคุณเจ้าไม่พิจารณาอาหารว่าเราจะขบเคี้ยวฉันเนี่ยเพื่อปัทธังชีวิตเมื่อกินยาพอดีต่อความต้องการของการบำบัดโรคจิตก็รู้สึกร่างกายก็จะเริ่ม เบาบางลงรู้สึกว่าสบายขึ้นเหมือนในขณะเช้าๆอย่างนี้เราก็บำบัดทางบรรยากาศด้วยให้ยาอ่อนๆให้มีสติรู้ตัวกินยานอนหลับมากเกินไปพักผ่อนมากเกินไปอาจไม่ได้ทำวัดไม่ได้บำบัดทางจิตเหมือนคุณโยมก็เช่นเดียวกัน เพิ่งจะมาถึงโรงพยาบาลก็ค่อยๆให้รู้จักสถานที่ว่าเราจะไปนแผนกไหนดีนแผนกผัวอยู่ด้านซ้ายนแผนกเมียอยู่ด้านซ้ายเหมือนกันไปในทางเดียวกันผู้ผัวเมียเมียเนี่ยต้องรักษาเป็นโรคจิตเป็นโรคใจ ไอ้ผัวก็เป็นโรคที่ยึดติดเมียเอาใจฝากไว้กับคนที่รักเรียกว่ายาใจไอรร้ภรรยาก็เช่นเดียวกันเป็นโรคจิตมองผัวนี่เป็นคนรูปหล่อรูปร่างดีมันร่อไปหมดมันพูดเพาะหอมหวานชวนกินเหมือนน้ำผ ล, ลไม้เลยนะพอได้กับมันไปแล้วโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยนะ คำว่าโจกหมายถึงว่ามันตลกสิ้นดีตอนมันมาหาเราเนี่ยมันพัลลานาคุณภาพแสดงสรกพุณติดสติ๊กเกอร์ไว้ด้วยว่าเป็นยาคุณภาพดีเป็นของดีสามารถดื่มกินเข้าไปแล้วถ้าใช้แล้วผิวพรรณจะผ่องใสหน้าตาจะไม่ย่นไม่ยับ แต่ที่ลุงพ่อวินิจฉัยแล้วว่าคนที่มีลูกมีผัวมีเมียเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างสัพกุลที่สติ๊กเกอร์แสดงสักคุณไว้ไม่มีวิตามิน A B C ถึงเคถึงเซรบขาดวิตามินเลยเพราะว่าเสพกันทั้งวันทั้งคืน ไอ้ผู้หญิงก็กินอาหารดีๆเข้าไปก็ถูกผัวเสพไอ้ผู้ชายก็ทานอาหารดีๆเหมือนกันก็ต้องไปเสพเมียทีนี้โรคเนี่ยมันอยู่กับตัวเราเนี่ยมันเริ่มกระจายแพร่พันธุ์กระจายไวรัสลนดมันรักษาไม่ได้เริ่มเป็นโรคผูกพันเนี่ยเขาเรียกผูกพันก็เรื่องเลือดลังนั่นเอง เมื่อผูกพันแล้วเนี่ยเป็นโรคเลื้อลังกเนี่ยกินยาอย่างไงก็ดื้อยาเพราะคุณโยมที่มาวัดเนี่ยเป็นคนที่รู้ตัวซะก่อนว่าเป็นโรคอะไรจึงได้มานั่งรอคิวหมออยู่เนี่ยหมอก็จะค่อยๆจัดยาหรือว่าให้บำบัดเป็นทางกายบ้างเป็นทางใจบ้าง ทางกายก็เป็นส่วนไหนใบหน้าหม่นหมองหมองค้ำมากไอ้ผู้ที่แต่งงานมีผัวมีเมียผู้หญิงก็ยับยน่นบางคนถึงฟันหักโดนตีนเข้าไปผัวให้ยาให้ยาใจเข้ายาทางกายมัดซ้ายเบ้าตาเขียวบ้างบางคนก็กำลังมีปัญหาเรื่องอยาล้าง บางคนก็เป็นเมียน้อยบางคนก็เป็นเมียหลวงเป็นโรคสารพันสารพัดสารพั น, พ น, พนต้องค่อยๆแยกโรคนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโยมก็ยังไม่ทราบว่าคุณโยมเป็นโรคอะไรก็ให้พยาบาลก็คือเมชีนั่นเองนางพยาบาลพยาบาลเนี่ยก็ต้องรักษา ช่วยหมอก็คือช่วยหลวงพ่อแม่ชีแต่งชุดข่าวนี่เปรียบเสมือนพยาบาลที่กำลังฝึกเหมือนกันกาลังเข้าโรงเรียนประพฤติปฏิบัติเพื่อจะไปประกอบหน้าที่เริ่มแรกพยาบาลก็ตรวจสภาพร่างกายก่อนให้อาหารมากน้อยก็คือตั้งโรงอาหารมีอาหารให้บรรดาญาติโยม ให้กับพระคุณเจ้าได้บริโภคเพื่อรักษาสภาพในเบื้องต้นก่อนบางคนพยาบาลรับไม่ไหวเหมือนพยาบาลเอาข้าวเอาปลาให้พระคุณเจ้าพระคุณเจ้ายังคิดจะทำลายพยาบาลนี่เป็นโรคจิตหนักเรียกว่าเป็นคนวิกลจริตพระคุณเจ้ากับสมณะเนรเนี่ย ถ้าถึงขั้นเพอ้อจะทำร้ายพยาบาลก็คือแม่ชีเนี่ยแม่พามที่นำยา น, นำอาหารมาบำบัดทางกายทางจิตท่านเนี่ยออก็เรียกว่าเป็นคนที่โรคหนักนะเป็นหนักมากเป็นโรคจิตหนักเกิดพยาบาลเกิดมารักคนไข้เขาอีกออก็คิดดูว่า คนบ้ามารักษาพยาบาลรักษาเบื้องต้นพยาบาลที่ไม่มีสติก็เลยมาลักคนไข้นะเป็นกรณีพิเศษก็จะรู้สึกว่าคอยมาปนิบัติเฝ้าปนิบัติกับพระที่เป็นโรคจิตเพราะพยาบาลก็เป็นโรคจิตเหมือนกันเกิดมาลักคนไข้เขา แล้วคนไข้เกิดข้างใครพยาบาลเขาอีกลองนึกเสว่าโรงละครเนี้ยก็เรียกโรงพยาบาลคนไข้ที่จะมารักษายัางโรงพยาบาลวัดเขาอิศุสกตโตคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะขนาดหมอยังวุ่นวายและโรคเราญาติพี่น้องของ คนไข้ที่กำลังจะมารักษาก็เกิดไม่ไว้วางใจว่าโรงพยาบาลนี้ไว้ใจได้หรือเปล่าอาจจัดยาผิดให้ได้นะแล้วหมอก็ดูแล้วหมอก็เป็นโรคจิตใครเป็นหมอใหญ่มันรุกรามแหละสรุปแล้วในโรงพยาบาลนี้ก็ยังมั่วอีตัวเหมือนกันก็กำลังตั้งใหม่ ตั้งโรงพยาบาลใหม่ก็ยังต้องอบรมหมอใหม่พยาบาลใหม่ก็คือพระใหม่กับแม่ชีใหม่นั่นแหละเมื่ออบรมขัดเกาวกันดีแล้วให้ปฏิบัติหน้าที่บรรดาญาติโยมนี่ก็เป็นโรคหลากหลายบางคนเป็นหวัดน้ำมูกไหลโอ้โหไอมาเลยเอื้อยมาเลยไอ ไอเลยคือซัอึกสะอื้นมาเลยน้ำมูกไหลก็คือร้องให้จนน้ำมูกดำลายไหลไปหมดเป็นหวัดอย่างหนักไวรัสนี่รักษายากมากต้องดื่มน้ำก่อนเพราะนั้นแม่ชีกับพระเนี่ยจะต้องเป็นน้ำให้กับบรรดาญาติโยมที่เป็นเป็นหวัดอย่างแรงเพราะมันกินยาไม่หายต้องดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อน การพักผ่อนนี่ก็ต้องดูที่รับที่นอนดูที่ดูทางว่าเชื้อนี่จะแพร่ไหมเพราะไอ้วัดไวรัสเนี่ยพอล่างพอคนที่หายก็จะไปสู่อีกคนหนึ่งเราะฉะนั้นก็ต้องระวังว่าหมอกับพยาบาลเนี่ยต้องป้องกันโรคให้อยู่เดี๋ยวเชื้อไปติดคนอื่นบางคนคนไข้เพื่อเจอมากมาย จะยึดหมอมาเป็นยาวิเศษเข้าไปอีกเอามาเป็นยาใจเพราะฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ในขณะนี้เนี่ยรวนแต่เป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยเพื่องรู้ตัวรู้ตนดีกว่าคนที่ป่วยแล้วไม่รู้ตัวเหมือนกับคนอื่นที่อยู่ภายนอกไม่ได้มารักษาศีลเห็นไหม ไม่ได้มาสู่พยาบาลโรงพยาบาลที่เรากําลังรักษาโรคจิตของเราอยู่เรียกว่ายาใจมาให้ยาทางใจนะให้ผ่อนคลายทางใจให้ทุกท่านได้สติรู้ตัวด้วยว่าเช้าๆอย่างเนี้ยเราเริ่มจะเข้ามาสู่สภาวะรักษาทางจิต เรียกว่าจิตก็คือสตินั่นเองให้ยาอ่อนๆกาลังวินิจฉัยโรค ก, ก็ขอให้แพทย์ทั้งหลายก็คือพระคุณเจ้าเนี่ยแพทย์หลวงพ่อเปียบเสมือนแพทย์ใหญ่พออโรงพยาบาลแม่ชีเนี่เปียดเสมือนนางพยาบาลก็ไปจับนแผนกนแผนก ติดต่อสอบถามก็มีอยู่ในศาลานั่นแหละสัญลักษณ์หมอก็คือพระพุทธเจ้ามีหลวงพ่อขาวหลวงพ่อทองหลวงพ่อดำมีพระพุทธรูปทุกปางเลยมีอาจารย์หมอก็คือหลวงพ่อโอปัสีหลวงพ่อกบหลวงพ่อชื่นหลวงพ่อนคอหลวงพ่อผักหลวงพ่อหลาหลวงพ่อหลวงปู่ทวดสมเด็จพระจย์โตร้วนเป็นอาจารย์หมอทางนั้น ที่เคยรักษาโรคของบรรดาญาติโยมกับพระพิสุเนี่ยรอดชีวิตมามากนักต่อนักไม่ตกล่นไปในอบัยภูมิเพราะนั้นโรคอันเนี้ยกำลังระงับแหละเพราะกำลังวินิจฉัยในเบื้องต้นในราตีแรกวันต่อๆไปก็จะค่อยๆรักษา ว่าเป็นโรคจิตมากไหมหรือว่าเป็นทางกายหรือว่าเป็นจักษุก็คือทางตาทางหูเนี่ยมันอักเสบหรือเปล่าปากติดเชื้อไหมปากเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเชื้ออะไรมันจึงเหม็นร่างกายมันเป็นฝีเป็นหนองผุ พ, พองเนี่ยเป็นโรคอะไรหัดตามฤดูหรือว่า มันเกิดจากติดจากเชื้อโรคอะไรขอให้พระคุณเจ้าไปฝึกให้รู้ตัวรู้ตนก่อนว่าเราเป็นโรคที่เบาบางลงแล้วไม่รับภาระยาทางใจแนละ้วเรียกว่ามาฝึกจิตบำบัดนะรวมทั้งแม่ชีก็เช่นเดียวกันต้องมาฝึกจิตบำบัดแถมต้องมาเป็นพยาบาล ไม่บานก็บวมถ้าเป็นโรคจิตดันมารักหมอเขาอีกพยาบาลรักหมอหมอรักพยาบาลบานบุรีแน่นอนบรรดาญาติโยมก็เช่นเดียวกันหมอเขาพยายามช่วยพยาบาลก็ช่วยบำบัดทางกายก่อนเดี๋ยวเช้าๆเนี่ยต้องไปออกกำลังกายแล้วไปเคี่ยวอาหารนีไปเคี้ยวอาหาร พยาบาลก็จะต้องปรุงอาหารตามโรคที่ให้บางคนก็ต้องให้อาหารเผ็ดร้อนหน่อยหรือ ย, อย่อยง่ายตอนเช้าๆเป็นโรคหิวนี่ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งบรราดาญาติโยมก็เป็นโรคเดียวกันรักษาไม่ได้ถ้าขาดยานี้เนี่ยร่างกายจะผุพังทันทีจะต้องให้ยาอันดับแรกก่อน ให้มีภลัะ ก, กำลังก่อนทางกายแล้วค่อยบำบัดทางจิตต่อไปเอาระช้าๆอย่างนี้ก็ต้องขออนุโมทนาคนไข้ทั้งหลายที่กำลังมาสู่โรงพยาบาลวัดเขาอิตริสุขโตวันพรุ่งนี้จะให้ยาต่อตามสภาพของโรคเหมือนคุณยมเป็นโรลคล้ายแรงหน่อย อติดต่อได้ไวคือประเภทโรคเล่นหูเล่นตาเนี่ยเล่นหูเล่นตากับหมอแถมพยาบาลก็โดนเล่นหูเล่นตาก็จะบานบุรีต้องให้ยาหนักอันนั้นดีไม่ดีต้องให้ใช้ยายี่ห้อตีนซ้ายหรือตีนฝาเขาเรียกว่าฟูดใช้ต้องใช้ฟูด เ, เล่นหูเล่นตา ต่ภาคิดจะเล่นคนไข่อีกหมอหมอคิดเล่นคนไข่โรงพยาบาลก็น่าจะต้องจัดยาหนักเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้คงได้สติรู้ตัวว่าเรากำลังมารักษาทางกายแล้วก็ทางจิตเป็นโรคต้องให้ยาทางใจเขาเรียกว่ายาใจ ถ้าขาดยาใจแล้วเหมือนกับคนไร้ญาติขาดมิตรคิดว่าอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราจะต้องฝึกตัวฝึกตนของเราเนี่ยให้ช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากโรคที่มันเป็นโรคร้ายเรียกว่าโลคที่ยากที่สุดก็คือนรกกับภูมิกับอบายภู ม, ภมิเป็นภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน อยู่ในคาบของความเป็นมนุษย์นี่ต้องใช้จัดยาหนักเนะยาไม่หายต้องอาจจะต้องเอาไปเผาหรือว่าขุดฝังเพราะกันโรคมันมันแพร่กระจายได้อะระเจ้าๆอย่างนี้ก็ค่อยๆถอนสมาธิ